ب س م الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خ ط اب ا ب ل إسلامية بالدمام تواصل مع أخ الكريم المصحف الشريف ل ل خ سعد ا ل غ ا م الشريط الخامس ويحتوي على س و ر ت ي الأعراف والأنفال ن ن م ب ا ل ع ر ا ف و ا ل ع بنبر م ي ا มีความยาวถึง2 6กถือเป็นบทแรกที่ได้เล่าประวัติ ขอบรรดาศาสดาไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การให้เอกภาพต่อร้อยยืนยันถึงเรื่องการฟื้นคื่นชีพการตอบแทนความดีและความชั่วในตอนแรกของบทนั้นได้กล่าวถึงมยยุฮิญจความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานและท่านศาสดา ม, มูฮัมมัดสุลลัลฮ์วะเลวะสลัมและยืนยันว่าคำพี่อัลกุรอานนั้นเป็นความโปรดปรานของพระวิญญาณเจ้าสู่มวลมนุษย์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 สองแบบนั้นจนกว่า Allah จะตัดสินพวกเขาด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออาลิลามมิม คำพิเศษฉบบหนึ่งซึ่งถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากนั้นจงย้ายความหยุดหักเนื่องจากคำพ์นั้นมีอยู่ในหัวอกของพวกเจ้าทั้งนี้พระเจ้าจะได้ใช้คำพ์นั้นตักเตือนผู้คนและเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อบมาอนพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระผู้อภิบาลขอพวกเจ้าเถิดแต่จงอย่าปฏิบัติตามผู้ครุมครองใดๆอื่นจากพระองค์ ส่วนน้อยจากพวกเจ้าเท่านั้นที่จะทำได้และกี่หมู่บ้านแล้วที่เราได้ทำลายมาันโดยที่การโลงโทษของเรานั้นได้ไปยังหมู่บ้านในยามค่มคืนหรือในอย่างที่พวกเขาพักผ่อนในเวลาบาย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 ถ them, ้าจริงพวกเราเป็นผู้อธรรมแน่นอนเราจะถามบรรดาผู้ที่ศาสนาูดถูกส่งไปยังพวกเขาและแน่นอนเราจะถามบรรดาศาสนาพูดทั้งหลายด้วย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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะรับความเสด็จและคนใดที่ตราชูของเขาเบา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 ซึ่งบรรดาเครื่องอยังชีพในแผ่นนั้นส่วนน้อยของพวกเจ้าเท่านั้นที่ขอบคุณและแท้จริงเราได้บังเกิดพวกเจ้า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 จงออกไปให้คนแท้จริงเจ้านั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ต่ำต้อย ي ي ي มันกล่าวว่าโปรดขันผันให้แก่ฉันจนถึงวันที่พวกเขาถูกให้ฟื้นคืนชีพ ด, ด้วยเถิดพระองค์กล่าวว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกขันผัน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 ผู้ใดในหมู่พวกเขาที่ปฏิบัติตามเจ้าข้าชาบรรจุทั้งหมดให้เต็มนรกยานหนำทั้งจากพวกเจ้าแวะวอะอดัมัลกุนะว่าซ و ุันนตมไ้ตองการไ่ดเข้าใตนมันแด้เป็้ด ทั้งเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงอยู่ในสวนสวรรค์นั่นเถิดและจงบริโภคนะี่ใดก็ได้ตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นแล้วเจ้าทั้งสองจะกลายเป็นผู้อาธรรม “ว่แลเนหะทุมารับทุแห น, นี้นนนชั้จรติรแล้วคุะต้องเป็ทั้งสองนั้นเพื่อที่จะทาให้ทั้งสองเผยสิ่งที่ถูกปิดบังแกเขาทั้งสองไว้อันได้แก่สิ่งอันทึงละอายของเขาทั้งสองแลวมันได้กล่าวว่า พวกเจ้าของเจ้าทั้งสองไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองจากต้นไม้นี้เพราะอื่นงใดนอกจากการที่เจ้าทั้งสองจะกลายเป็นมาริกาหรือไม่ก็กลายเป็นผู้ยั่งยืนตลอดกาลแล้วมันได้สาบานแก่ทั้งสองนั้นว่าแท้จริงฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่แนะนำเจ้าทั้งสอง فَلَمَّذَا ا ق َ ا ل الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا س َ و ء َ ت ُ ه ُ م َ ا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُولَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينٌ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 لَ ะ جار حدين نَلَّهُمْ ي ِ ا ل ْ ب َ س ِ ي ِّ وَالْوَرِيْسَ وَأَتِكُمْ و َ ر ِ ي ش ً ا وَلِبَاسُ ا ل ت َّ ق ْ و َ ى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ โอลูกหลานอาดัมเอย๋ยแท้จริงเราได้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ความสวยงามและเครื่องนุ่งห่มแห่งความยังเกรนนั่นคือสิ่งที่ดียิ่งนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาโองการของอัลลอฮ์เพื่อว่าเขาเหล่านั้นจะได้ระมิต يا بني آدم لا ي ِ ن ّ ك م الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما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 وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً ا قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا نَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ الْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَمَرْحُوْكَ <تصفيق> عَرَّام พวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราได้พบเห็นบรรดาบรรพบรุษของพวกเราเคยกระทำมาแล้วแล้วลอสก็ทรงใช้ให้พวกเรากระทำมันด้วยจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชใช้กระทำสิ่งที่น่ารังเกียจหรอพวกเจ้าจะกล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้กระ น, นั้นหรือ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 ต่อาศาสนาของพระองเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาแต่ผลแรกนั้นพวกเจ้าก็จะกลับไปฝรีกงนหดงเหตุแรี้ง่ักะะเลยมุบฏลาละอินนหุมุตทักรชยาตีนเอลิยาะมินดูลลาห์ الله.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 يا بني آدم خذوا زينةكم من دكل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفو ล ن ه لا يحب المسرفين โอลูกหลานอาดัมเอยจงเอาเครื่องประดับกายของพวกเจ้าณนะทุกมสัสยิดและจงกินและจงดื่มแต่จงอย่าฟุ่มเฟือย ه ا ت م ร بروه مايحب باندا، ب ผู้ที่ฟุ่มเฟื ل م َ ن ح َ ر َ م ز ي ن ة َ ا ل ل ه ِ ا ل ت ي أ َ خ ر ج َ ل ِ ع ب ا د ِ ه و َ ا ل ط ي ب ا ت ِ م ِ ن ا ل ْ ز ق س ُْ ل ْ ه ي َ ل ّ ذ ي ن آ م َ ن و ا فِي ا ل ح ي ا ة ِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا خ ا ل ص َ ة ي و م ا ل ق ي ا م َ ة ك ذ َ ل ِ ك ن ل ق َ ص ِ ن ا ل آ ي ا ت ِ ق و م ي ع ل َ م و ن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 هكذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و م ا ب ط ن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل له سلطان ا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شنقلات هو محمد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 ยาบ ن นี د م อ ن ด ا อิ ت ي ่าจะตี ل م ن คุม ق ص و ลุม ي ك คุม ا ت ي يقصون ع อ ي ك م ย ي ا ت ي ยาตี ل ั่วศูนย์อะ ل ลยุีฟัตต์ก้าส خوف ุนอะเลยุมวล ح ز ุนยัู่กหลานอะดัมเปิดถ้ามีบรรดาศาสนทูตในหมู่พวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้า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 และพวกเขาได้ยืนยันแก่พวกเขาเองว่าพวกเขานั well from from e ้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธสัมพันธา حتى إذا دارت فيها جرياً قالت أخرىهم ل و لاهم ربنا قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلوا ن ف آ ت ه م عذابا ضعفا من النار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 ดังนั้นพวกเจ้าจงลิมล้มรสการลงโทษเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าแสวงหากันไว้เถิด Inna a ล l ā h i k a d h ā บ ū b i a า ā t ī n a wa-stakbaru anha, la tufatḥu lāhum abwāb al-samā. แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาโอการต่างๆของเราและได้แสดงโอหันต่อองค์การเหล่านั้น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 ونزعلنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا ِ ه ذ ا وما كنا ل ن ه ت د َ لولا أن هدانا الله، لقد جاءت ر س ُ ل ربنا بالحق.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 และใช่ว่าพวกเราจะได้รับทางนำกากื่หาไม่หากว่าอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทรงให้ทางนำแก่พวกเราแน่นอนบรรดาศาสนาทูตแห่งพระผู้อวยพรของเรานั้นได้นำความจริงมาและพวกเราได้ถูกประทานให้ทราบว่านั่นแหละคือสวนสวนรรค์โดยที่พวกเจ้าได้ถูกให้รับมันไว้เป็นมรดกเนื่องเลยสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทำกัน ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أ َ لعنة الله على الظالمين และชาวสวรรค์ น, นั้นได้เรียกร้องชานรกว่าแท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผู้อวยบานของเราได้สัญญาแก่เราไว้นั้นเป็นความจริงและพวกเจ้าได้พบสิ่งที่พระผู้อวยบานของพวกเจ้าได้ทรงสัญญาไว้เป็นความจริงไหมพวกเขากล่าวว่าเป็นความจริงแล้วผู้ที่ประกาศคนหนึ่งได้ประกาศขึ้นในหมู่พวกเขาว่าขอให้การสาบแช่งขอลอจงประสบแก่ผู้อาธรรมทั้งหลายด้วยเถิด อลลี น, นสลลยสดยคือมันดาผู้ที่ขัดขวางทางของอลอร์และปราถนาทางนั้นคดเคี้ยวและต่อวันประโลกนั้นพวกเขาปฏิเสธศรัทธ า, า, าบ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 ได้เรียกชาวสวรรค์โดยกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกท่านเถิดโดยที่พวกเขายังไม่ได้เข้าสู่สวรรค์และพวกเขาก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า และเมื่อบันดาสายตาของพวกเขาหันไปทางชาวนาุกพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้พระผู้บานของเราโปรดอย่าให้พวกเราร่วมอยู่กับกลุ่มผู้อาธรรมเหล่านั้นเลย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 أ أ ا إ ال ชนเหล่านี้ใช่ไหมคือผู้ที่พวกเจ้าได้สาบานไว้ว่าอัลลอจะไม่ส่งให้ความเมตตา ใ, นในดๆได้ประสบแก่พวกเขาพวกเจ้าจงเข้าสวรรค์กันเถิด ولا أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيذوا علينا من الماء أو مما ر ز ق ك م الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. และชาวนารกก็ได้ร้องเรียนชาวสวรรค์โดยกล่าวว่าจงเทน้ำลงมาให้แก่เราด้วยเถิดหรือไม่ก็สิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยอย่างที่แก่พวกเจ้าด้วยเขาเหล่านั้นกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้สิ่งทั้งสองนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย <S <S ف ا ل ก و م ا نسهم ك م า نسوا ل ق คือบรรดาพู้ทยึดเอาศาสนาของพวกเขาเป็นสิ่งให้ความเพลิดเพลินและเป็นของเล่นและพิฏิความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกลวงพวกเขาดังนั้นวันนี้เราจะลืมพวกเขาบ้าง ดังที่พวกเขาได้ลืมการทบกับวันของพวกเขานั้นและการที่พวกเขาปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและแท้จริงเราได้นำคำพีฉบับหนึ่งมาให้แก่พวกเขาแล้วซึ่งเราได้แจกแจงคำพีนั้นด้วยความรู้ทงนี้ เพื่อเป็นทางนำและความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา ฟะ لنا من ش ف ا فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسرو أنفسهم وضل عنهم ما كانوا ي ف ر و ن เขาเหล่าน <serves> ั้นไม่ไ <welche> ด้คอยอะไรนอกจากผลสุดท้ายแห่งคัมภีนั้นเท่านั้น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 ثم استوى على العرش يغش الليلا ل ن أ ه ا, أ ة ر ي ط ل ض ه حتي و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاه ل الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين พาต <ت ص> ิห <في ق> ้าคุ้ยบานของพวกเจ้านั้น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 เป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นเอาล่ะผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกีพวกเจ้าจงยิงวานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าในสภาพสำรวมตนและปกติแท้จริงพระองค์มไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ละเมิด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 สุนนนนนนนคนะฮ์ลิบรดรมีมีติน์ فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم ت ب ك ّ ر و ن และวรงนั้นคือผู้ที่ส่งลมลง ม, มาเป็นข่าวดีที่อยู่เบื้องหน้าความเมตตาของปรุงเจิงกระทั่งเมื่อมันได้แบบเมฆ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 และเมืองที่ดีนั้นพืชของมันจะงอกน้ำด้วยอนุมัดโดยพระผู้อวยบาลของมันและเมืองที่ไม่ดีนั้นพืชของมันจะไม่ออกนอกจากในสภาพแกร่งในธรรนอง น, นั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาโอกาสทั้งหลายแก่กลุ่มชนที่ขอบุญ และแท้จริงเราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงคารพพระดีต่อรอเถอ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 อบัลลักุม ر س ا า ة ของพระบว่าอั ن ص ح لكم وأعلم من الله ما ال า ا ت أ ع ل م ู ن โดยที่ฉันจะประกาศให้พวกเจ้าทราบเกี่ยวกับสาระแห่งพระผปุญบานของฉันและฉันจะแนะนำให้พวกเจ้าทราบและฉันรู้จักอาล้อถึงสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้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 เพื่อเขาจะได้ตักเกือนพวกเจ้าและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ยำเขรและเพื่อที่พวกเจ้าจะได้รับความเมตตาแล้วพวกเขาได้ปฏิเสธนววภายหลังเราได้ช่วยเขา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 และยังกลุ่มชนอาร์ตนั้นเราได้ส่งฮูดซึ่งเป็นญาติพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่อลอเถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกเจ้าอื่นจากโปรพวกเจ้าไม่ยังเกรงหรอกหรือกาลลลมมมเินน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 เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันไม่มีความโฉดเขาใดๆอยู่ที่ฉันแต่ทว่าฉันคือศาสนาทูตคนหนึ่งที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสาฟลโลก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 เพื่อว่าพวกเจจ้าาะรับคววมเเส็พกขากล่าวว่าที่ท่านมาหาพวกเรานั้นเพื่อเราจะได้เคารพพักดีแด่อัลละเพียงองค์เดียว และละทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเราเคยเคารพพักดีมากระนั้นหรือจงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญากับพวกเรามายัางพวกเราเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะอ้อนะข้ารู้วะก็อัลเลาะห์ยุมมิน ร, รับบิคุมริบิซูวะกบับบัตุจาดดิลูนนีทีอัสมาอิซัม เขากล่าวว่าแน่นอนได้เกิดการลงโทษขึ้นแก่พวกเจ้าและความเกลิ้ยกร่จากพระผู้อยิบาลนของพวกเจ้า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 وإلى كمود أخاهم صالحا قال يا قوم ا عبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية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 و َ ذ ك ُ ر ُ و ا إ ِ ذ ج ع ل َُ م ْ خُلْفَاءٌ ل ذ َ ع ب ِ ع َ ا د و َ ب ُ و َ ا م ٍ ف ي ا ل أ َ ر ْ ض ِ ت َ ت َ خ ذ د ُ و ن َ مِنْ س ُ ه و ل ه َ ا ق ُ ص و ر ا تَتَخْدُونَ مِنْ س ُ ه و ل ِ ه َ ا ق ُ ص و ر ا و َ ت َ ن ح ُِ و ن َ ا ل ج ِ ب َ ا ل َ ب ُ و ت ا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 ف ف ล้วความไหวอย่างแรงของแผ่นดินก็ได้ข่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเขาตายในบ้านของพวกเขาเองแต่ว่าอันห์ม์ว่กันวายาโควลีลัดด์อับลักตริสาลัรับบีวันัซฮัตุวะาคิลลัตูฮิบุนันัสฮิล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 ลลล ال และจงรำลึกถึงลูทขณะที่เขาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจะกระทำสิ่งชั่วหน้าดังเกียดตซึ่งไม่มีคนใดในสากลโลกได้เคยทำมันมาก่อนพวกเจ้ากระนั้นลึก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 ล ن ن م م และยังเมืองมัดยั้นเราได้ส่งชอีบซึ่งเป็นพี่น้องพวกเขาโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน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 และพวกเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบ้านปลายอของผู้ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไรโอ้แอนคาน้าอัฟตُุ م ْลขุมอาเมนِ و َลลัติอูร์สึลตุบิฮิวะท้าอั ا ตุลลัมยูมิَุทัَบรูทัศบรูฮัต ك ตีُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ แต่ถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันถูกให้นำมาและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ศรัทธาแต่นั้นจงอดทนเถิดจนกว่าอัลลอดฺจะทรงชี้ขาดระหว่างเรา โดยที่ปรงน um pues ั้นคือผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้จี้ขาดตั้งหลายแล้วแม้เหล่าผู้ที่ละสักการะมิได้ข้าวมิได้รู้ขึ้นสวรรค์แชวยและผู้ทีนอายนหมู่บนขอราะนาเาละาดมินกลเอาคุณนา บรรดาผู้นำที่โอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเราจะขับไล่ท่านโอซัยและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านออกไปจา ก, กระบนของเราหรือไม่ก็ท่านจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในสิทธิ่ของเราเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบกระนั้นหรือ قد استرنا ََ على الله ِ كيدا َ إن عدنا َ في ملتقى ِ بعد ََ إذ نجانا الله ُ منها َِْ وما َ يكون َ لنا أن نعود فيها َ إلا َِّ أيشاء الله ُ ربنا َّ و َ س َ ع َ ر َ ب ُ ن َ ا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا อลตะแน่นอนเราก็ได้อุปโลกความเท็ดให้แก่ Allah หากพวกเรากลับไปอยู่ในลัที่ของพวกเจ้าหลังจากที่เ a า l a h ได้ส่งช่วยพวกเราให้พ้นจากละที่นั้นมาแล้วและไม่บังควรแก่พวกเราที่จะกลับไปอยู่ในละที่นั้นอีกนอกจาก Allah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 และบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามชูอิบแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ขาดทุนในทันที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 บรรดาผู้ที่ปฏิเสชธชัยและประหนึงว่าพวกเขามีเคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสชธชัยนั้นพวกเขาเป็นพวกที่ขาดหลุมและก็หันออกไปจากพวกเขาและกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉัน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 ว่าَาเราส่งในหมู่บ้าَหนึ่งของนบีและเราไม่ได้ ส, งส่งศาสดาคนใดไปในเมืองใด น, นอกจากเราได้ลงโทษชาวมืองนั้นด้วยความแรแรงแค้นและการเจ็บปวยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอกนอน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 أ أ แล้วชาวตะบนนั้นได้ปลอดภัยกระนั้นหรือจากการลงโทษของเราที่จะมาอย่างพวกเขาในเวลากลางคืน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 แล้วพวกเขาได้ปลอดภัยจากอุบายของอัลลอ์กระนั้นนือไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอ์นอกจากคมชนที่ขาดคนเท่านั้น แล้วก็ยังไม่ได้ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบ ท, ทอดหลังจากเจ้าของมันดอกหรือว่าหากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็ได้ให้ภัยวิบัติประสบแก่พวกเขาหนึ่งด้วยบาป ก, กรรมของพวกเขาและเราจะประทับตราบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ได้ยินกัยุด ลและแ ق ้วดีเจ้ า, า, ข, า, ข, าขอ ه รุสุลุฮุบิลเบยิ ا ل กฟังมันแ ا ่รู้เรื่องที่มันพูดแต่ถ้ามันพูด ك ึงเรื่องที่นพูดถเรื่องทีันพูดถงเรื่องทีังเรื่องที่มถึงเรื่อทรามัถึงเร่อง่มันแูเร่องทมันงเร่องท้่นพูถึงร่งท่นดาารองทมันพูตข่องท่พวกเราไดงนําหลักฐรนอันพดงทมัดองมอัพงเ่งพวดเขาแล้วน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 แต่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นแต่นั้นเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบรรปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไรแปลมูซาได้กล่าวว่าโอ้ฟิรโรอนแท้จริงฉันคือศาสนาทู้ที่มาจากพระผู้อภิบาล แห่งสการกล่าวล้อิกันกาลาความถูกต้องในการที่ฉันจะไม่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากความเป็นจริงเท่านั้นแท้จริงฉันได้นำหลักฐานจาก รพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงมอบวงวานอิสรียไปกับฉันเถิดเพราะกล่าวว่าหากท่านได้นำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผูู้ดจร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 ال บรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรอโรอนได้กล่าวว่าแท้จริงผู้นี้คือนักมายาคนผู้หลอกลวเขาต้องการที่จะขับไล่พวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจะใช้ให้ทำสิ่งใดพวกเขากล่าวว่าจงปรวิงเวลาแก่เขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปนรวบรวมนักมายาผลในเมืองต่างๆเอาไว้ เพราะเขาก็จะนำมายัางท่านซึ่งนักมายาพลที่รอบรู้และบรรดานนักมายากลก็ได้มายัางฟืรูนโดยกล่าวว่าแน่นอนพวกเราจะต้องได้รางวัลถ้าพวกเราเป็นผู้ชนะ พระองค์กล่าวว่าใช่แล้วและแท้จริงนั้นพวกเจ้าจะได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ใกล้ชิดกับเ ร, า, า, ราพวกเขากล่าวว่าโอมูซา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 และความจริงก็ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขากระทำขึ้นก็ตกไปแ ล, นนแล้วที่โน่นล่ะพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้ต่ำต้อยไปและบรรดานักมายากลก็ถูกทำให้ล้มตัวลงกราบ โดยยอมรับความจริงโดยกล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูสาและฮารุด้วยการอ่านบทสวดมคุ์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 พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราจะเป็นผู้กลับไปยังพระทูอภิบาลของเรา และท่านจะไม่แก้แค้นเรานอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อวย b ของเราเท่านั้นเมื่อมันได้มาอย่างเราโอ้พระผู้อิย b a ของเราโปรดเทความอดทน ล, ลงมาบนพวกเราได้เถิดและโปรดให้เราตายในฐานะเป็นมุสีด้วย "وقال الملاءم قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض و ي ر ك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي س ا ه م وإن فوقهم ق ا ر و ن, و ن ر ดับดาู้นำจากกลุ่มชนของฟิลอูปน์ได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของเขา ไว้เพื่อก่อความเสียหายได้แผ่นดินและละเมิดต่อท่านและบรรดาที่เคารพสการะต่อท่านกระนั้นนึกพระรูนกล่าวว่าเราจะฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเขาและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเขาและแท้จริง เราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขามูาสมาได้กล่าวากับกลุ่มชนของเขาว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮและจงอดทนเอถอดแท้จริงผดิตนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ ซึ่งพรุ่งจะส่งให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พรุ่งสรงพระสงค์จากควงบาวของพรุ่งและบั้นปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเรล่งทั้งหลายการอูดีนามินกบริอันเชะสยนาวะมินบาดมาจิสนา พวกเ“ขากล่าวว่าพวกเราได้รับการทารุนทั้งก่อนจากที่ท่านจะมาอย่างพวกเราและหลังจากที่ท่านได้มาอย่างพวกเรามูซ่าลกล่าวว่าหวังว่าพระผู้บัญชาของพวกเจ้าจะทรงทําลายพวกศัตรูของพวกเจ้า” และจะสรงให้พวกเจ้าสืบช่วงแผนในแผ่นดินและพระองค์จะทรงดูว่าพวกเจ้าจะทำอย่งางไรและแน่นอนเราได้ลงโทษ ว, วงวานของฟิลินด้วยความแห้งแลง้งและการขาดแคลนผลไม้ต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับมิก فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه و إ ِ ن ت, ص ت ُ ص ِ ه ُ م ْ سَيِّئَةٌ ي َُْ ي ِ ر ُ ب ِ م ُ و س َ و ََ م َْ ه أ َ ل َ إِنَّمَا َ ا ئ ِ ر ُ ه ُ م ْ ع ِ ن د َ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ แค่เมื่อความดีได้มาอย่างพวกเขากขา็กล่าวว่า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 แล้วเราได้ส่งน้ำท่วมแล ะ, ะตะกแปนและเหาและกบและเลือดมาเป็นสัญญาณอันชัดเจนแก่พวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็สแสดงโอหังและได้กลายเป็นกลุ่มชนที่กระทำความผิด บ, บ และเมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นแ ก, พก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูสาจงขอต่อพระผู้วิบาลของท่านให้เราตามที่พระองค์ทรง ส, งสัญญาไว้ที่ท่านเถิด้าท่านได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้ว แน่นอนเราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสรินไปกับท่านท่านเมื่อเราได้ปลดปล่อยการลงโทษนั้นให้พ้นจากพวกเขาไปยังกำหนดหนึน่งซึ่งพวกเขาไปถึงกำหนดนั้นแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา อนะกแล้วเราก็ได้ลงโทษพวกเขาโดยให้พวกเขาจมน้ำในทะเลเนื่องด้ดยพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาต่างๆของเราและพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้ที่ و َ أ َ و ر َ ث ْ ن َ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا ن ُ س ت َ ض ع ف ُ و ن َ م َ ش َ ا ر ِ ي َ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَتْ َ ا ف ِ ي ه َ ا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا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 กา่ายามูสจ่ลลงาอิลาฮะคมาละหุมอาบิฮะคาลอินละคุมควมน์ทัจหลูนเราได้วงวารอิสราีนข้ามทะเลไปได้แล้วพวกเขาก็มาอย่างกลุ่มชนหนึ่งซึ่งประจำอยู่ที่บรรดาจเวทของพวกเขาพวกเขาได้กล่าวขึ้นว่าโอ้มูซาจ้งให้มีขึ้นแก่เราด้วยเถอ ซึ่งสิ่งที่เป็นที่เคาร i, พสการะองค์หนึ่งเช่นเดียวกับที่พวกเขามีสิ <NS' S 2> ่งที่เป็นที่เคารพสการะอยู่หลายองค์เขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นพวกที่ฉดเขาอินนาอูมุตับบรมาฮฟีวติลมาคนูยัมลูถ้าจริงชนเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเขาเคารพสการะกันอยู่นั้น จะถูกทำลายและสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็ไร้ผลเขากล่าวว่าอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นด้วยที่ฉันจะแสวงหาสิ่งที่เป็นที่เคารพสการะให้แก่พวกเจ้าทางทนที่พระองค์ได้ส่งเทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติในสายพันลูก และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยพวกเจ้าให้ผลจากพวกพองของฟิริ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 <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> و ل م bon ا جاء موسى لنيقاطنا وكلمه ر ب ه قال رب أرني أ ن ظ ر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى ا ل ج ب ل فإن استقر م كانه فسوف تراني ฟลลเะกลุนัตเ่เมื่อมูซาได้มาตามกงหนดเวลาของเราและพระผู้อภิบาลของเขาเขาได้ตราสแก่เขาและเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า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 คันเมื่อเขาฟื้นขึ้นเขาก็กล่าวว่าพระองค์ท่านผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันขอลุกแก่โทษต่อพระองค์แต่ฉันนั้นคือคนแรกในหมู่ผู้ศรัทธาทั้งหลายอ ق ลยามูซาอิน ى ิสตะَّ س ت َ فِي تُكَ عَلَى النَّاسِ ب ِ ر ِ س ค ا ل َ ت ِ ي وَبِكَلَامِي فَخُذْ م ม ا أ َ ت ช ي ْ ت ُ ك َ พ ร, ระองค์ตรัว่าโอ้โมเสสแท้จริงค่าได้เลือกเจ้าให้เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายนึ่องด้วยสาระของข่าและด้วยไพ่คำของข่าดานั้นจนยึดถือสิ่งที่ข่าได้ให้แก่เจ้าและจงอยู่ในหมู่ผู้กระตันอยู่รู้คุณว่าแบนาลห์ฟิลอัลวาหิ่งคุ ล, ลิชัยอิมมูอิฎะโต้วะทัฟซีลัลลิคุลลิชั รอด้าอธิบ well? <im it avam> ัน uh, ทึกคำตักเตือนทุกสิ่งและแจกแจงทุกอย่างไว้ให้แก่เขาในแผ่นจารึกแต่นั้นเจ้าจงยึดถือมันไว้ด้วยความเข้มแข็งและจงใช้พวกคฟองของเจ้าเถิดพวกเขาก็จะยึดสิ่งที่ดีที่สุดของมัน ข้าใช้พวกเจ้าได้เห็นที่อยู่ของคนชั่วทั้งหลาย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 เวันนั้นเมื่อกเขัยในม่อของพวกเข า, เ, ารรเห็นว่าพวกเขาได้หลงผิดไปแล้วพวกเขาจึงได้กล่าวว่าแน่นอนถ้าหากพระวิบาลของเรา ไม่ได้เมตตาแก่เราและไม่ได้อาพยาทษให้แก่เราแล้วแน่นอนพวกเราก็จะต้องตกอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน أعجلتم أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا ت ش م ئ ب ي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.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 والذين عملوا السيئاتهم متبو ا من بعدها و آ م ن و ا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم และบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วแล้วสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นและศรัทธาแล้วไซแท้จริงพระผู้บัญชาของเจ้านั้นย่อมเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตา หลัังจากนน้และเมื่อความเครื่อโกรธได้สงบลงจากมูสาเขาก็เอาบรรดาแผ่นจารึกนั้นไปและในสิ่งที่ถูกจารึกนั้นมีคำแนะนำและความเมตตาก่บบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระผู้อวบานของพวกเขา واختار موسى قومه سبعين رجلا لمن قانتنا فلما أخذتهم الرجب فتقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فعل السفهاء منا ละมูซาได้เลือกชายเจ็ดสิบคนจากกลุ่มชนของเขาสำหรับกำหนดเวลาของเรา ทันเมื่อความเคลื่อนไหวอันุนแรงได้ฆ่าพวกเขาเขากล่าวว่าโอ้พระวิบาลของฉันหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วพระองค์ก็ทรงทำลายพวกเขาไปก่อนแล้วพร้อมท้งฉันด้วยพระองค์ก็จะทรงทำลายพวกเราเนื่องจากด้วยการกระทำของผู้โชดเขาในหมู่พวกเราการะนั้นหรือมันไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการทดสอบของพระองค์ท่านเท่านั้น พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงผิดเนื่องโดยการทดสอบนั้นและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์นั้นคือผู้ทรงคุ้มครองพวกเราดังนั้นโปรดได้ทรงอภัยให้แก่พวกเราและเมตตาพวกเราได้เถิดและพระองค์ท่านนั้นคือผู้ทรงดีเยี่ยมในหมู่ผู้ให้อภัยทั้งหลาย و َ ا ك َُّ و ا لَنَا فِي هَذِهِ ا ل د ُّ ن ِ ي ع َ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدَى إ ل َ ي ْ ك ُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي و َ س ِ ع َ ت ْ كُلَّ شَيْءٍ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 َيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ وَيَضَعُ الَّتِي عَلَيْهِمْ الْمُفْلِحُونَ إِسْرَهُمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ النُّورَ عَنْهُمْ آمَنُوا مَاهُ هُمُ الْخَبَائِكَ وَالْأَغْلَالَ فَالَّذِينَ بِهِ كَانَتْ وَاتَّبَعُوا أُنْزِلَ الَّذِي คือบรรดาผู <S <S <ess> ้ที่ปฏิบัติตามหลอดศูน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 พวกเจ้าจงศรัทธาต่อลอและรอสูนของพระองค์ผู้เป็นนามีที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ซึ่งเขาศรัทธาต่อลอพระําดับทั้งหลายของพระองค์และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขาเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทาง น, น, นาาววอมมมมูดดบำ และจากกลุ่มชนของมูซาจะมีกลุ่มหนึ่งที่ให้คำแนะนำด้วยความจริงและด้วยความจริงนั้นพวกเขามีความเพื่ ง, งธมมาารรมบบ فبجست من مثنى عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم ا ل م َ ن َّ و ا ل س ل و ا كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون และเราได้แบ่งพวกเขาออกเป็น12หลาคือ12กลุ่มและเราได้ให้องค์การแก่มูสาขณะที่กลุ่มชนของเขาได้ขอน้ำจากเขาว่าจงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้าแล้วตาน้ำ12ตาก็โปยพุ่งออกจากก้อนหินนั้นแท้จริงกลุ่มชนแต่และหล่ายย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตน และเราได้เมฆบดบังพวกเขาและเราได้ประทานของหวานและนกคุ้มลงมาให้แก่พวกเขาพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาทธรรมแก่เราไม่แต่ถว่าพวกเขาอาทธรรมพวกเขาเองต่างหาก َإِذْ قِيلَ لَهُمُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُشِئْتُمْ وَقُولُوا حِقَّتُوا وَدُخُلُوا اسْكُلُوا ل ا และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงอาศัยอยู่ในเมืองนี้เถิด และจงบริโภคจากในเมือง น, นั้นณที่ใดก็ได้ที่พวกเจ้าประสงค์และจงกล่าววา่ายึด ต, ต่อและจงเข้าประตูไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความภาระวะเราก็จะอาภัยรโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มภูนให้แก่บรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลาย และบรรดาผู้ที่อาธรรมเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแกบพวกเขาดังนั้นเราจึงได้ส่งการลงพวกจากฟาฟาฟ้ามาอย่างพวกเขาเนื่องจาก و َ ا س أ ل ه ُ م ع َ ن ا ل ق َ ض ِ ي َ ة ِ ا ل ّ ت ي ك َ ا ن َ ت ح ا ض ِ ر َ ة ا ل ب َ ح ْ ر ِ إ ذ ي ع د ُ و ن َ ا ل س َّ ب ت ِ إ ذ ت أ ت ي ه ِ م ح ي ت َ ا ن ه ُ م إ ذ ت أ ت ي ه ِ م ح ي ت َ ا ن ُ ه ُ م يَوْمَ س َ ب ت ِ ه ِ م ش ر ع و ا وَيَوْمَ لَا ي َ س ب ت ُ و ن َ ل ا ت َ أ ت ي ه ِ م ك َ ذ َ ل ك َ ن َ ذ ُ ل ه ُ م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 หนึ่งด้วยการที่พวกเขากระทำชั่ ว, ว ه ه และจงรับเลือกขนาที่กลุ่มหนึ่งในพวกเขากล่าวว่า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 ท่านเมื่อพวกเขาได้ละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามเราก็ประกาศิึแก่พวกเขาว่าพวกเจ้าจงเป็นลิงที่ต่ำต้อยเถิดว่าอิศะอัดาลรับบุคลียบัตันอาลัยมิอิลัยยุนลิยามติเมยีสูมห์มซู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 يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي ي أ ت ِ ه م عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه และได้มีกลุ่มชนที่ชั่วกลุ่มหนึ่งซื่แทนหลังจากพวกเขาซึ่งได้รับช่วงคำพีเอาไว้โดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆ น, น้อยแห่งโลกนี้และกล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราและหากมีสิ่งเล็กๆน้อยเ ย, ยี่ยงเดียวกันนั้นมาอย่างพวกเขา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 และบรรดาผู้ที่ยึดถือคำพีและปฏิบัติละหมาดนั้นแท้จริงเราจะไม่ให้รางวัลของผู้ปรับปรุงทั้งหลายต้องสูนย์ไป จงระลึกถึงขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไววตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาพระนด่นเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มและพวกเขาคิดว่ามันจะตกลงทับพวกเขาพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่ง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 เป็นการกล่าวาพาดพิงถึงการปฏิสนธิลูกอันทะในตอนเริ่มแรกของเด็กกล่าวคือขณะที่ทารกอยู่ในคันนั้นลูกอันทะจะเริ่มปรากฏอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและเมื่อเด็กจเจริญขึ้นลูกอันทะก็จะค่อยเลื่อนลงมาจนกระทั่งอวัยวะทุกส่วนจเจริญสมบูรณ์แล้วลูกอันทะก็จะเข้าประจำที่ของมันตามที่เราทราบกันอยู่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 รหรือไม่พวกเจ้าก็จะกล่าวว่าที่จริงนั้นบรรพบุรุษของพวกเราได้มีพาคีขึ้นมาก่อนและพวกเราเป็นลูกหลานที่มาหลังจากพวกเขาแล้วพระองค์จะทรงทำลายพวกเรา หนึ่งโดยการกระทำของบรรดาผู้ที่ทำให้เสียหายการะนั้นหรือและในทำนองนั้นแหละเราจะแจกแจงบรรดาองค์การทั้งหลายเพื่อว่าพวกเขาจะกลับมา เรต่องอ่านให้พวกเขาฟังซึ่งข่าวของผู้ที่เราได้บรรดาองค์การของเราแก่เขาแล้วเขาก็ได้ถอนตัวออกจากองค์การเหล่านั้นแล้วชายตอนก็ติดตามเขาดังนั้นเขาจิงอยู่ในหมู่ผู้หลงผิด ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ي ل ه ث أو ت ت ر ك ه ي ل ه ث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا หากเราประสบแล้วแน่นอนเราก็ยกเขาขึ้นด้วยบรรดาโอ์การเหล่านั้นแต่ถ้าว่าเขาคงมั่นอยู่กับดินและปฏิบัติตามความใคร่ฝ่ายต่ำของเขาดังนั้นตุปมาของเขาผู้นัน้นจึงดังตุปใหม่ของสุนัขหากเจ้าขับไล่มันมันก็จะหอบลิ้นห้อย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 ف َ ل َ ا أ ِ ي ََ وَلَقَدْ جَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ك َ ث ِ ي ر ا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا ي َ ف ْ ت َ ه ُ و ن َ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا ي ُ ب ْ ص ِ ر ُ و ن َ بِهَا وَلَهُمْ آ ذ َ ا ن ٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا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 โดยที่พวกเขาไม่รู้ออุมลีรุมอินนะคซดีมะฟีนและคาดจะประวิงเวลาแห่งความตายให้แก่พวกเขาแท้จริงอุบายของค่านั้นมั่นคงจริอะวลัมยะฟักกิมาบิซาฮิบิฮิมมินจินนอินหัวอิลลาละีรมมุบีน และพวกเขาไม่ได้ใขรครวญหรอกหรือว่าที่สหายของพวกเขานั้นหาได้มีความบ้าใดๆไหมเขามิใช่ใครอื่นนอกจากผู้ที่ตักเตือนที่ชัดแจ้งคนหนึ่งเท่านั้นลยช ى ي ق ق และพวกเขาไม่ได้มองดูอำนาจทั้งหลายแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อรรถได้ทรงบังเกิดขึ้นดอกหรืออาจเป็นไปได้ว่ากำหนดเวลาแห่งความตายของพวกเขานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้ว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 يسألونك عن الساعة أيان مرسها قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو فقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا ب ع ت ه يسألونك كأنك حفيٌ عنها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 ق ُ ل ل ا أ َ م ل ِ ك ُ ل ِ ن ف س ي ن َ س ع ا و وَلَا ض َ ر ْ إ ل ا مَا ش ا ء َ ا ل ل َّ ه و َ ل َ و ك ُ ل ت ُ أ َ ع ل َ م ُ ا ل غ َ ي ب َ ل س ت َ ك ث ت َ ر ت ُ مِنَ ا ل خ َ ي ْ ر ِ و َ م ا م َ س َّ ن ي ا ل س ّ و ء إ ن أَنَا إ ل ا ن َ ذ ي ر ُ و َ ب َ ش ي ر ُ ل ِ ق َ و ْ م ي ؤ م ن و ن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 ทัานเมื่อชีวิตนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กับนางนางก็ตั้งครันอ่อนๆแล้วนางก็ผ่านมันไปท่านเมื่อนางอุ้มคันหนักเขาทั้งสองก็วิงวอนต่ออัลลอฮ์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองว่าถ้าพระองค์ประทานบุตรที่สมบูรณ์ให้แกเราแล้วแน่นอนเราก็จะอยู่ในหมูลผู้ขอบคุณทั้งหลาย ฟัลลัมมาเอตหล صالحجعللهشركاء فيما อมัล فتعال الله ع ما يشركون นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่ดีให้เขาทั้งสองเขาทั้งสองสามีปัญญาก็มีบรรดาภาคีขึ้นแก่พระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง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 อินนั้นั่นแหลดที่เจ้าวนขอรื่นจากอัลลอนั้นคือผู้ที่เป็นเบาเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองจงวิงวอนขอต่อพวกเขาเถิด แล้วจงให้พวกเขาตอบพระพวกเจ้าด้วยหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง คนเดือก شركاؤ คุณทุ่มไม่ดูนั่นแล้วรพวกมันคือเจอเวตมีเท้าที่ใช้เดินกระนั้นนึอหรือว่าพวกมันมีมือที่ใช้จัดการอย่างรุนแรงหรือว่าพวกมันมีตาที่ใช้มองหรือว่าพวกมันมีหูที่ใช้ฟังทรงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าพวกเจ้าจงวิงวอนขอต่อบรรดาภาคีของพวกเจ้าเถิดแล้วจงวางอุบายเพื่ อ, อกำจัดฉันด้วยแต่ไม่ต้องยืดเวลาให้แก่ฉันเลยอินนัลลอฮะาัลแท้จริงผู้คุ้มครองของฉันนั้นคืออัลลอฮผู้ทรงประทานคัมภีร์ลงมา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 และหาพวกเจ้ายิงวอนพวกมันให้ไปสู่ทางนาำที่ถูกต้องพวกมันก็จะไม่ได้ยินแต่เจ้าจะเห็นพวกมันมองมายังเจ้าทั้งๆ่าที่พวกมันมองไม่เห็นคพลีลาสวะแะอัมรบิลฟีแอาร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 ประจงขอความคุ้มครองต่อล้อเถิดแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้อินนัลลอฮีนต้าอดามมนจชัยร์ทีบกะรเกะรอ ف إ มัน้ิรแท้จริงบรรดาผู้ที่ยำเกรงนั้นเมื่อมีคำชี้นำใดๆจากชัยตอนประสบแต่พวกเขาพวกเขาก็รำลึกได้ แล้วทันใดพวกเขาก็มองเห็นและพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทำผิดและพวกเขากจะไม่ลดละและพี่น้องของพวกมันนั้นจะช่วยเหลือพวกมันในการทลผิและพวกเขาจะไม่ลดละ قل إنما أتبع ما يُوحى إليَّ من ا ر َ ب ِّ هذا بصائر من ا ر َ ب ِّ ك م وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ และเมื่อไม่ได้มีองค์การได้มาอย่างพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าฉนัยเล่าท่านจึงไม่อุปโลกมันขึ้นเองจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด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 เมื่ออังกุรานถูกอ่านขึ้นพวกเจ้าจงสดับฟังอังกุรานนั้นเถิดและจงนิ่งเงียบเพื่อว่าพวกเจ้าจะรับความเมตตา。 ละเจ้า ม, มูฮัมหมัดจงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าไว้ในใจของเจ้าด้วยความนอบน้อมและ ย, ย่งเกรงื่อไม่ต้องออกเสียงดังทั้งในายามเช้าและยามเยน็นและจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้หลงเหลวอินนัลลเดี๋ยนัลฮิจารบบิกลายิสต์เบิรูนอันไนบาดัตี لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่หนะ้าที่พระผู้อวิบาลของเจ้านั้นพวกเขาจะไม่หยิ่งยะโสต่อการทารุสการะพระองค์และจะกล่าวให้ความบริสุทธิ์แก่พระองค์และแด่พระองค์เท่านั้นพวกเขาจะควมลงกรบ